ธรรมะจากพระผู้รู้ตอนที่19โดยพระปราโมทปามโอโชถามเคยได้ยินหลวงพ่อเล่าพระสูตรหนึ่งว่ามีเทวดาไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไร พระพุทธองค์ตอบว่าพระองค์ไม่พักและพระองค์ไม่เพียรอยากจะเรียนถามว่าโอคะคืออะไรครับกิเลสที่เราต้องข้ามให้ได้เขาเรียกว่าโอคะจะเรียกอาสวะก็ได้มีอยู่สี่ตัวโอคะแปลว่าห่วงน้ำหมายถึงกิเลสที่เหมือนเราหล่นลงไปแล้วจมน้ำตายอยู่ในนั้นเลย พาให้เราจมตายอยู่ในสังสารวัฏเวียนตายเวียนเกิดซ้าแล้วซ้ําอีกนั่นเองอาสวะเป็นกิเลสที่ยั่วย้อมใจทําให้กิเลสอย่างอื่นเข้ามาครอบงำจิตใจได้องค์ธรรมของโอเคะหรือองค์ธรรมของอาสวะเป็นอันเดียวกันคือมีกามมีทิฏฐิมีภพมีอวิชชามีสี่อย่างเนี่ยมันเหมือนทะเลใหญ่สี่ทะเลเราจะต้องข้ามให้ได้ถ้าจะข้ามสังสารวัฏนะข้ามห่วงมหานกอันใหญ่ ในทะเลใหญ่เนี้ยมีทะเลย่อยๆ อ, อยู่สี่อันต้องข้ามให้ได้แต่ละอันข้ามยากมากเลยทะเลอันที่หนึ่งชื่อว่าทิฏฐิโอคะอันที่หนึ่งชื่อทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นผิดเช่นเราเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆพอร่างกายนี้ตายไปจิตใจที่ไปเกิดใหม่ยังเป็นจิตใจคนเก่าอยู่จิตใจดวงเดิมไปเกิดใหม่อันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะ ชื่อสัตตะทิฏฐิแท้จริงจิตไม่ได้ไปเกิดใหม่จิตเกิดขึ้นตรงนี้ก็ดับตรงนี้เกิดตรงตาก็ดับที่ตาเกิดที่หูก็ดับที่หูเกิดที่ใจก็ดับที่ใจนั่นเองจิตเกิดดับอยู่อย่างนี้ตลอดเหมือนเวลาที่เราตายจิตดวงสุดท้ายในชีวิตนี้เรียกว่าจุดติดจิตดับลงไปปับ๊บมันเกิดจิตดวงใหม่ในชีวิตใหม่เรียกว่าปฏิสนธิจิต มันเกิดสืบเนื่องไปเรื่อยๆมันไม่ใช่จิตดวงเก่าไม่ใช่ตัวนี้ถอดออกจากร่างนะส่วนใหญ่ชอบคิดว่าวิญญาณเราออกจากร่างไปหาที่เกิดใหม่อันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเราหัดภาวนาก็จะเห็นว่าจิตเกิดดับตลอดเวลาไม่มีหรอกจิตที่อยู่นานๆถึงขนาดถอดออกจากร่างไปเกิดใหม่ได้ไม่มีมิจฉาทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งคือ คิดว่าถ้าตายแล้วศูน์ไปเลยพวกเนี้ยเชื่อทางวัตถุคิดว่าตายแล้วสูญ์ไปเลยมองไม่เห็นความสืบต่อของจิตถ้าเราจะฆ่า ม, มิจฉาทิฏฐิพวกนี้ได้ต้องมาดูที่กายที่ใจของเราจนเห็นความจริงของกายของใจนี้จึงจะฆ่า ม, มิจฉาทิฏฐิได้ข้ามความเห็นผิดได้มิจฉาทิฏฐิมีเยอะนะเช่นไม่เชื่อเรื่องกรรมกับผลของกรรม ไม่เชื่อเรื่องการกระทำกับผลของการกระทำไม่เชื่อเรื่องแอคชั่นกับรีแอคชั่นพวกหนึ่งก็เชื่อว่าสัตว์มีเฉพาะที่เรามองเห็นเทวดาสัตว์นรกเปรตอสุรกายพวกนี้ไม่มีเพราะตัวเองไม่เห็นก็ว่ามันไม่มีพวกนี้เป็นมิจฉาทิฐิทั้งนั้นเลยมันไม่เชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะมันเป็นพวกมิจฉาทิฐิทีนี้เราจะฆ่ามิจฉาทิฐิได้ยังไง มิจฉาทิฏฐิเป็นทะเลที่กว้างที่สุดลักษณะของทะเลมิจฉาทิฏฐิคือทะเลที่กว้างมากเลยไม่เห็นฝั่งคนทั้งหลายที่ตกอยู่ในมิจฉาทิฏฐิจะเวียนว่ายตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่อย่างนั้นเองเพราะไม่รู้ว่าฝั่งอยู่ตรงไหนขึ้นฝั่งไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าเราตถาคตไม่เห็นว่าอะไรจะมีโทษเท่ากับมิจฉาทิฏฐิเลยมิจฉาทิฏฐิมีโทษมากที่สุดตัวศาสนาพุทธแท้ๆนั่นแหละ คือตัวสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะข้ามทะเลที่กว้างนี้นั้นเราไม่มีปัญญาจะข้ามด้วยตนเองเพราะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าอาศัยพระพุทธเจ้าท่านบอกทางให้เหมือนท่านอยู่บนบกนะท่านตั้งประภาคารขึ้นมาเราเห็นแสงไฟแล้วเรารู้ทิศทางแล้วว่าต้องเข้ามาทางนี้นะถึงจะเข้าฝั่งได้ผู้ที่ข้ามทะเลทิฏฐิที่กว้างขวางอันนี้ได้คือพระโสดาบันเท่านั้น จะเป็นโสดาบันได้จะต้องเห็นความจริงของกายของใจถ้าเห็นความจริงก็จะล้างความเห็นผิดได้เห็นความจริงของกายของใจมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นสิ่งที่ถ้ามีเหตุมันก็เกิดอีกถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดอีกมันจะเห็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีตายแล้วเกิด หรือตายแล้วศูนย์หรอกมันมีแต่ว่ามันสืบเนื่องไปเรื่อยๆถ้ามันมีเหตุถ้าไม่มีเหตุคือไม่มีกิเลสแล้วมันจะไม่สืบเนื่องไปแต่ก็ไม่ได้แปลว่าศูนย์นะอย่าไปแปลว่าศูนย์นะมันมีธรรมชาติอย่างหนึง่งซึ่งมีแต่ไม่มีหรือไม่มีความมีเป็นธรรมะอีกชนิดหนึง่งซึ่งเรายังไม่รู้จักมันไม่ใช่สาบศูนย์ไปเลยเพราะฉะนั้นให้คอยมาดูกายดูใจมากๆ วันหนึ่งละความเห็นผิดได้ได้โสดาบันข้ามทะเลอันที่หนึ่งได้แล้วคือทะเลของทิฏฐิทะเลตัวที่สองคือทะเลกามถ้าบอกว่าทะเลทิฏฐิคือทะเลที่กว้างหาขอบเขตไม่เจอนะทะเลกามเนี่ยมีขอบมีเขตขอบเขตของกามอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ทะเลกามเป็นทะเลน้าวนนะ จิตเราจะวนเที่ยวแสวงหาอารมณ์อยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ตลอดเวลามันหิวตลอดมันหิวอารมณ์ตลอดมันหิวอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะหมุนตี้วเตี้วตี้อยู่ทั้งวันเดี๋ยวก็อยากได้อารมณ์ทางตาเดี๋ยวอยากทางหูเดี๋ยวอยากทางลิ้นทางจมูกทางกายทางใจจะหมุนจี๋จีจีอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นทะเลตันหานั่นเอง ทะเลกาหมุนติ้วติ้วติ้วไม่หยุดคนที่จะข้ามทะเลกามได้หรือทะเลน้าวนนี้ได้ต้องเห็นความจริงลงมาในกายนี้ได้เห็นถ่องแท้เลยตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่เนื่องด้วยตาหูจมูกลิ้นกายล้วนเป็นของไม่เที่ยงล้วนเป็นของเป็นทุกข์ล้วนเป็นของไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นอย่างนี้แจ่มแจ้งเห็นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆได้นะปล่อยวางความยึดถือกายได้ ก็จะข้ามกามได้แต่คำว่ากามเนี่ยในตำรานะตำราชั้นหลังๆอธิบายมากกว่านี้กามไม่ใช่แค่กามราคะถ้ากามราคะเนี่ยแก้พระอนาคามีละได้ถ้าไปถืออารูปาราคะอารูปาราคะเป็นกามด้วยก็จะมีแต่พระอรหันต์ถึงจะละได้เด็ดขาดทีนี้พวกเราเข้าใจยากอย่างนี้ก็จะพูดแค่กามที่พวกเรารู้จักก็แล้วกัน ระอาณาคาก็ละได้แล้วเพราะฉะนั้นทะเลน้ําวนนี้ข้ามยากนะถูกดูดเห็นไหมมันดึงดูดใจเรากามันดึงดูดนะใครเคยได้ยินชื่อเจ้าคุณนอบ้างไหมเจ้าคุณนอแต่งกรอนไว้อันหนึ่งนะหมายเหตุผู้อ่านเจ้าคุณนอในที่นี้หมายถึงเจ้าคุณนอรรัตราชมานิทเจ้าคุณนอแต่งกรอนไว้อันหนึ่งนะแต่งไว้เจ็บเจ็บแสบแบนะ คนสมัยนี้อาจจะว่าไม่ค่อยสุภาพท่านบอกว่าบ่อน้อยเท่ารอยโค ร, รอยโคคือบ่อน้อยเนี่ยเท่าตีนวัวเท่านั้นแหละเท่ารอยตีนวัวบ่อน้อยเท่ารอยโครหรือจะโผข้ามพ้นหมายถึงข้ามยากเป็นมหาป ร, เริเวณก็ยังเวียนไปหาก้นท่านบอกอย่างนี้ท่านว่าแสบนะการไม่ใช่ของซู้ได้ง่ายนะถ้าใจไม่ถึงจริงๆสติปัญญาไม่แก่รอบจริงๆ รู้ลงมาไม่เห็นความจริงของกายนี้มันยังรักกายยังหวงแหนกายอยู่มันจะรักรูปรสกลิ่นเสียงขดถะพระไปด้วยถ้าเราเห็นกายเรามีแต่ความทุกข์ล้นล้ว น, วนมันจะไม่รักรูปเสียงกลิ่นรสขดทะพะยกตัวอย่างอย่างเราชอบอะไรที่นุ่มๆใช่ไหมอย่างหนุ่มๆเนี่ยชอบสาวๆตัวนุ่มๆถ้าตัวเราเป็นแผลนะเป็นแผลเวอะหวะทั้งตัวเลย ใครมาถูกเราเราก็เจ็บก็แสบเราจะไม่อยากสัมผัสทางกายแล้วถ้าสติปัญญาเราแก่รอบจริงๆเห็นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยนะมันจะไม่เอากรมมันจะไม่เอากรมเพราะฉะนั้นทะเลน้าวนมันจะดูดเราไม่ได้เพราะเรารู้แล้วว่ามันทุกข์นะมันทุกข์ทะเลที่สมนะมีชื่อว่าภพภาวะโอคะภพก็คือการทำงานของจิต มันก็เนื่องมาจากปัญหานั่นแหละจิตของเรามันทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดพักเลยปรุงแต่งคิดนึกปรุงแต่งปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุปรุงทุกมันปรุงทั้งวันทั้งคืนทันทีที่จิตปรุงแต่งอะไรขึ้นมาจิตก็มีความทุกข์ขึ้นมาทุกทีทะเลภพนี้เป็นทะเลที่ไม่ใช่หมุนวนแล้วมีลักษณะอีชนิดนึงเป็นทะเลที่น้าเชี่ยวมันพัดพาเราจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งตลอดเวลาเลย จิตเราจะเปลี่ยนภพตลอดเวลานะจากพบอันหนึ่งไปสู่พบอีกอันหนึง่งจากภพหนึ่งไปสู่พบอีกอันหนึง่งเราจะเวียนตายเวียนเกิดไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายใดๆในสังสารวัฏเนี้ยแม้กระทั่งในชีวิตเดียวของเราขณะนี้จิตของเราก็เปลี่ยนภพย่อยอยู่ในใจตลอดเวลาเดี๋ยวเราก็เป็นคนดีเดี๋ยวเราก็เป็นคนร้ายเดี๋ยวเราเป็นนักปฏิบัติเดี๋ยวเราเป็นจอมเจ้าเลสารกน เดี๋ยวเราเป็นคนเมตตาเดี๋ยวเราเป็นคนขี้โมโหจิตใจเราเปลี่ยนภพอยู่ตลอดเวลาเวลาเราโมโหทีนะเราก็เป็นสัตว์นรกทีเพราะมันเป็นโทสะเวลาเราโลภขึ้นมาทีนะเราก็เป็นเปรตทีหนึ่งเวลาเรายึดถือในความคิดความเห็นเราก็ไปอยู่ในภพของอสุรกายทีหนึ่งเวลาเราใจลอยไปเผลอไปเหม่อไ ป, เ, อไปเราไปพบของเดรัจฉาน ถ้าเราเป็นคนมีศีลมีธรรมนะเราก็ไปพบมนุษย์ถ้าเราเป็นคนที่มีหิริโอตับ ป, ปะและอายบาปกลัวผลของบาปเราก็ไปพบของเทวดาถ้าเรามีใจสงบมีใจตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวเราก็ไปพบของพรหมจิตใจของเราหมุนเวียนอยู่ตามพบต่างๆพบทั้งหมดเป็นทุกข์ทั้งหมดนะไม่มีนะพบที่ไม่ทุกข์ถึงเป็นพรหมเป็นเทวดาก็มีความทุกข์ทุกแบบเทวดา ทุกแบบโผมไม่ว่าพบอะไรก็ลำบากหมดเลยมีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยนี่ถ้าสติปัญญาของเราแก่กล้าไม่พอเราจะมองไม่ออกการจะข้ามทะเลน้ําเชี่ยวอันนี้ได้มีทางเดียวต้องละอวิชชาได้เพราะฉะนั้นการข้ามพบกับการละอวิชชาเนี่ยจะควบกันไปเป็นเรื่องของพระอาหารหันต์ที่จะเห็นทะเลของอวิชชาเนี่ยไม่เหมือนทะเลของทิศฐิ ที่เป็นทะเลกว้างไม่มีขอบมีเขตหาฝั่งไม่เจอไม่เหมือนทะเลกามที่เป็นทะเลน้ำวนไม่เหมือนทะเลพบที่เป็นทะเลน้ำเชี่ยวทะเลของอวิชาเป็นทะเลน้าตื้นคลื่นลมสงบแต่หมอกลงเป็นทะเลเหมอกนะเพราะฉะนั้นเราว่ายน้ำมาจนถึงริมฝั่งแล้วขึ้นฝั่งไม่ได้หรอกว่ายไปไว่ายมานะ่ะมันหลุดออกไปทะเลลึกได้อีกนะ เพราะฉะนั้นอย่างปุถุชนหลายคนนะที่คิดจะสู้อวิชชาไม่ได้กินหรอกรับเดียวก็กลับไปมีทิฏฐิอย่างเดิมอย่างถ้าเราไม่ใช่พระอนาคานะจะาริหารสู้อวิชชามวยคนละชั้นนะ่ะรับเดียวก็หลงกามไปอีกแล้วหลงในกามหลงในทิฏฐิอีกแล้วถ้าไม่ใช่พระอนาคานะทีนี้เราจะละอวิชชาทะเลน้ำตื้นหรือทะเลหมอกนี้ได้ต้องมีวิชา คือรู้แจ้งอริยสัจก่อนการรู้แจ้งอริยสัจเนี่ยทำให้เราขึ้นฝั่งได้ถ้ายัางไม่รู้แจ้งอริยสัจได้นะ่ะจะขึ้นฝั่งไม่ได้พระไตรปิฎกสอนไว้ว่าตราบใดที่ไม่รู้แจ้งอริยสัจยังข้ามพบไม่ได้ยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นการเรียนธรรมะนะต้องรู้แจ้งอริยสัจถึงจะข้ามภพข้ามชาติได้ข้ามทุกได้ ถ้ารู้แจ้งอริยรสัจสักอย่างเดียวทิฏฐิก็ไม่มีการก็ไม่มีนะภพก็ไม่มีอวิชชาก็ไม่มีการรู้แจ้งอริยสัจ ต, ตัวที่หนึ่งเรียกว่าทุกขสัจทุกขสัจคืออะไรคือกายกับใจนี่เองเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นเลยจนสุดท้ายก็มีแต่การรู้กายรู้ใจตนเองรู้ลงมาเรื่อย กายของเราเป็นยังไงรู้สึกไว้จิตใจของเราเป็นยังไงคอยรู้สึกไว้อย่าลืมกายอย่าลืมใจถ้าลืมกายลืมใจเรียกว่าขาดสติแต่ก็ห้ามเพ่งกายเพ่งใจให้รู้กายรู้ใจไม่ได้ให้เพ่งกายเพ่งใจไม่ได้ให้กําหนดกายกําหนดใจคนละเรื่องเลยนะรุ่นหลังๆเนี่ยชอบกําหนดนะกําหนดเป็นสมถะกําหนดลงไป จิตจะไปแน่วไปนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวบังคับให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวถ้าบังคับไม่เป็นหรือบังคับแบบฝืนใจก็จะหนักๆขึ้นมาแน่นๆแข็งๆทื่อๆเครียดๆขึ้นมาถ้าน้อมใจเก่งจะสงบจะสบายจะโปร่งโล่งเบานะจะเป็นสมาธิไปอีกแบบหนึง่งจะส่วนใหญ่ที่พวกเราทำจะเป็นมิจฉาสมาธิแท้ๆเลยเป็นสมาธิที่หนักๆแข็งๆ ตัวก็เกรงเกรกายก็เกรงเกรงใจก็เกรงๆกรงใช้ไม่ได้จริงนะเราคอยรู้สึกนะคอยรู้รู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจร่างกายของเราเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจของเราเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกแต่อย่าไปเพ่งให้นิ่งไม่ใช่คอยบังคับกายให้นิ่งจะเดินก็เดินไม่เหมือนคนธรรมดาคล้ายๆผีดิบนะเดินต้องตัวทื่อๆ อ, อย่างนั้นใช้ไม่ได้นะ จิตใจก็อย่าไปข่มให้มันซึนกระถือซืรอบื้ออยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนเราต้องเห็นความจริงของกายของใจเพราะฉะนั้นอย่าไปบังคับมันแต่คอยดูมันแต่ถ้ามันจะเอากายเอาใจไปทําผิดศีลห้าไม่เอานะตรงนี้ต้องฝืนใจศีลห้าเนี่ยมาตรฐานประการขั้นสุดท้ายแล้วมาตรฐานของเราเลยถ้าขาดศีลห้าเราไม่ใช่มนุษย์แล้ว ต้องระมัดระวังนะขนาดพระโพธิสัตว์ยังตกนรกได้เลยนับประสาอะไรกับพวกเราจะไม่ตกยังเชื่อใจตัวเองไม่ได้นะอย่าประมาท ก, กิเลสนะบทความจากฟรีแามกซินออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่19 เสียงอ่านโดยโจโฉหรืออนุสรตรีโสภาติดตามอ่านผลงานเขียนของพระอาจารย์ปราโมชปราโมชโชและดาวโหลดเสียงเทศนาธรรมของท่านได้ที่เว็บไซต์วิมุตติดอทเน w ตเวอร์ไวน์ิ ทุกๆสิ่งรอบปลายหลักลายพิรมสิน้นความไร้มนทินอันอยากเรียบปานความสาราวิมน